หลักกรรมฐ า, านนะเรียนให้แม่นๆม่นภาวนาง่ายที่ภาวนากันลมลุกลุกลาอนหนึ่ ง, นนงทาไม่เป็นไม่ถูกหลักอห น, นึ่งรู้หลักแล้วไม่ค่อยทําจะรู้หลักแม่นแมนะ่นภาวนาขยันภาวนาก็ง่ายไม่ยากอะไรหรอกลูกเิร็์หลูกพ่อตอนนี้เขาเรียนทักธรรโทหลูกพ่อ เอาหนังสือมาอ่านบ้างอ่านไปถึงนักธรรมเอกแล้วเพราะว่าในตำราเรียนนักธรรมเอกนะสอนเหมือนที่หลวงพ่อสอนนี่แหละมีหมดเลยกระทั่งตัณหาจริตทิฏฐิจริตอะไรยังมีเลยงลงละเอียดยิบเลยพระน่าจะเรียนแต่เรียนแล้วจับเคล็ดไม่ได้นะมีคำภีอยูนะ่จับเคล็ดวิชาวิธีปฏิบัติไม่ได้ทนะํทำไม่เป็น เคล็ดของการปฏิบัติมีนิดเดียวอย่างละประโยคเท่านั้นถ้าจะทำสมถะน้อมจิตไปอยู่ อ, อารมณ์อันเดียวนะอย่างต่อเนื่องจะมีเงื่อนไขอารมณ์นั้น ต, ต้องไม่ยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่จิตชอบจิตของเราแต่ละคนชอบอารมณ์ไม่เหมือนกันบางคนชอบพุโทโธอยู่กับพุโทโธมีความสุขเมื่อน้อมจิตไปอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว จิตไม่หนีไปที่อื่นก็มีความสุขจิตสงบคนไหนชอบลมหายใจน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบเคล็ดลับของสมถะอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขน้อมจิตไปสู่อารมณ์นั้นก็แค่นั้นเองกรรมฐานในตำรามีทั้งสี่สิบอย่างเวลาปฏิบัติก็มีอย่างนั้นแหละ แต่ว่าอารมณ์แต่ละชนิดนะให้ความสงบที่ไม่เท่ากันอารมณ์บางอย่างอย่างพุโทโธพุโทโธนี่ได้ความสงบระดับต้นๆ้นต้นตืนต้ น, นอารมณ์ที่ถึงปฏิภาคนิมิตมี22อย่างนี่ยตำราเขาละเอียดนะตำราเขามี22อย่างคือกรสิน10อย่างพิณาอสุภะ10อย่างพิณาศพเนี่ย เพ่งศพไปเรืจะได้ปฏิภาคนิมิตได้อย่างเราดูศพหาศพคนไม่ได้เอาศพหมาศพแมวก็ยังดีดูดูไปเรื่ อ, อยๆศพจะค่อยๆใสขึ้นนะดูสมใสใสใสขึ้นไปกลายเป็นดวงสว่างขึ้นมาได้ได้ปฏิภาคได้ปฏิภาคนิมิตเงินได้อุปจารสมาธิทำต่อไปก็เข้าอัปปนา ก็มีกระสินสิบอย่างาสุภาสิบอย่างกายคตาสติอีกหนึ่งอานาปนาสติอีกหนึ่งงถ้าใครอยากเล่นฌานนะก็มาเล่นพวกนี้ ไ, ได้ฌานต่กว่า น, นี้ไม่ได้ฌานอารมณ์อย่างอืน่นไม่ถึงฌานพุโทโธธรมโมสังโฆอะไรไม่ถึงฌานไม่ยากอะไร รู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตเราชอบต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ย่อจิเลสอย่างชอบเล่นไพ่หรือชอบเล่นอินเทอร์เน็ตจิตมีอารมณ์มันเดียวคือมีแต่อินเทอร์เน็ตโลกนี้ไม่มีแล้วอย่างนี้ไม่ไมสงบฟุ้งซ่านฟุ้งอยู่ข้างในไหลายๆเรื่อยๆไปเคล็ดลับของสมถาก็นิดเดียวเท่านี้เองเป็นเคล็ดลับของวิปัสสนาถนะึง คำสอนมีมากมายมหาศาลย่อลงมาก็เหลือแต่ ว, ว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีเท่านี้เองแต่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นเรารู้หลักนะแล้วก็เอาไปขยันทำไม่รู้หลักก็ทำไม่ได้หรอกลม้มลุกลกลครานไปเรื่อยบางคนมั่วระหว่างสมถะกับวิปัสสนาแยกไม่ออก ยกไม่ออกไม่ทำแล้วก็นึกว่าทำวิปัสนาอยู่มันเป็นสมถะอย่างบางท่านท่านก็บอกพุโทโธแล้วไปพิจารณากายพุโทโธเป็นสมถะคิดพิจารณากายเป็นวิปัสนายังไม่เป็นหรอกคิดพิจารณากายการคิดเอานะพิจารณาเอามีวิตกวิจารณ์พระเจ้าไม่เคยสอนกายานุวิตกสติปัฏฐานไม่มีเลย มีแต่กายานุปัสนาคําว่าวิปัสนาคําว่าอนุปัสนาปัสชนะว่าการเห็นไม่ใช่วิตกไม่ใช่การคิดไม่ใช่การพิจรารณาวิจารณนะ์แต่ให้เห็นเอาเห็นตามความเป็นจริงคําว่าวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามเ่นะมคอควรจะน้อมจิตไปสู่ความว่างความนิ่ง และจิตนิ่งจิตว่างมันเป็นจิตพระละหันพระละหันอย่างนั้นไม่ใช่ของจริงมีเข้าเข้าออกออกวันนี้นิ่งได้สงบได้อยู่กับความว่างได้อีกว่าเนื้อถอยออกม า, า, าข้างนอยนีพระละหันฝุกเข้าปลุกออกไม่ใช่ของจริงหลวงพ่อก็เคยทําฝึกไปยังกระทั่งเหลือแต่ร้วนเดียวเลยนะเหลือแต่ธาตุรู้อนเดียวเลยตอนฝึกทีแรกเรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มีจิตกาอารมณ์ มีสองอันใช่ไหมตัวนี้ไหวอยู่ที่หน้าอกเนี่ยตัวนี้เป็นคนดูอยู่เคยสงสัยว่าจะดูตัวไหนให้ดูตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกไอ้ตัวเนี้ทุกตัวนี้ไม่เห็นมันจะทุกข์เลยตัวรู้ไม่เห็นจะทุกข์เลยหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตให้จิตมันเป็นคนรู้มันน่าจะดูตัวนี้สองตัวนี้มีทั้งสองตัวจะดูตัวไหนสงสัยนะก็พยายามสังเกตไปดูที่ตัวไหวๆดูไปเป็นเดือนไม่ขาดหรอก ไม่มีที่สิ้นสุดเลยวัตตะหมุนอยู่อย่างนั้นเองไม่ใช่เป็เพ่งใส่ตัวรู้นะก็เกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆดูอยู่เป็นปีก็ไม่ใช่อีกหรือว่ารู้ตรงกลางนี่มัชชิมาไม่เอาตัวรู้ไม่เอาตัวถูกรู้นี่มัชชิมาเวลากําหนดจิตลงไปนั่งดูจิตเคลื่อนไปสติเนื้เคลื่อนไปเข้าไปตรงที่ไหวหวๆกลางหนะ้าอกเข้าไปดู เคลื่อนไปพอจะแตะอารมณ์ที่กลางหน้าอกนะถอนขึ้นเลยทวนเข้าหาตัวรู้พอเข้ามาใกล้ตัวรู้นะไม่จับเอาตัวรู้นะทวนออกอีกทวนเข้าทวนออกมันบูบลงไปตรงกลางเลยระหว่างตัวรู้กับตัวถูกรู้นี่เรามั่งทางสายกลางนี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเลยไหมทางสายกลางจริงๆอ่ะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทางสายกลางไม่ใช่เรื่องของสมาธิความโง่ความไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ห่างครูบาจารย์นะใช้รองเอา ลองอย่างนี้ไม่ใช่ลองอย่างนี้ไม่ใช่ลองชอยที่สามนะไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งที่ถูกรู้จิรวมลงไปว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งไม่มีอะไรเลยเลืแต่ธรรมชาติรู้อันเดียวล้วนๆเลยดูเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนี้นะเสร็จแล้วสงสัยมันใช่หรือเปล่าเนาะไปเจอหลวงุู่เทศ หลวงปู่เทศท่านก็บอกว่าเออสมาธิอย่างนี้ท่านพูดชัดเลยนะสมาธิสมาธิาอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีคนเล่นนะไปเล่นให้ชํานาญไว้ไปหัดเล่นให้ชํานาญเราได้ยินว่าสมาธิก็รีบกลับเรียนท่านเลยหลวงปู่มันเป็นสมาธิผมกลัวติดท่านบอกอยา ก, กลัวติดไปซ้อมให้ชํานาญนะถ้าติดอาตมาจะแก้ให้นี่ท่านพูดอย่างห้าวหาญเลยเพาท่านเก่งเรื่องสมาธิไม่มีตัวจับนี่ยทาไมหลวงปู่เทศเก่งเรื่องสมาธิติดสมาธิอยู่ตั้งสิบกว่าปีตัวท่าน่ะ เพรานั้ท่านชำนิชำนาญมากท่านบอกให้เราเล่นหลวงพ่อก็เล่นอยู่นะครูบาอาจารย์บอกให้เล่นก็ลองเล่นไปเลยวันหนึ่งไปเชียงใหม่เจอหลวงปู่บุญจันทร์ก็ไม่ได้เจอท่านหรอกไปวัดสันติธรรมท่านมาพักอยู่ที่นั่นพอดีท่านให้ลูกศิษย์ของท่านที่ตามท่านมามาดักอยู่หน้าวัดมาเรียกเราไปหาท่านเราไม่รู้จักท่านนะอยู่ๆก็ให้พระมาดักเรียกตัวไปเลย ถึงท่านก็ถามว่าภาวนาไงผมบอกท่านว่าเ น, นี่ยลงไปตรงกลางนี่นหะโอ้ยท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงาเรานึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องสำเนียงมันไม่เหมือนกันนะเราก็ฟังท่านไม่ค่อยออกแนละ้วท่านก็ฟังเราคงไม่ออกมั้งเล่าซ้ําอีกทีนะครั้งที่สองท่านตวาดดังกว่าเก่าอีกเฮ้ยนิพานอะไรมีเข้ามีออกใจมันทิ้งเลย แม่เอาเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ไปสู่มรรคผลที่ผ่านหรอกมันเป็นกลางจริงนะเป็นมัชชิมาจริงนะีเป็นมัชชิมาของสมาธิอันเดียวไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาทางสายกลางนั้นทางของศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่แค่สมาธิเราถูกท่านดุนะตั้งแต่วันนั้นมาใจไม่เอาตรงนี้เลยใจไม่ยอมเข้าไปที่ตรงนี้รู้สึกถ้าอยู่ตรงนี้เสียเวลาหลวงปู่เทศท่านอยากให้ฝึกให้เล่นให้ชํานาญเท่านั้นอง นกบอกอยู่แล้วว่านี่สมาธิไม่ใช่ทางพ้นหรอกนี่เรากลัวช้าใจมันไม่เอาละพอหลุดออกจากตัวนี้นะท่านหัวเราะเลยเสียงดังห้าห้หหัวเราะสะใจเสียงดังเนี่ยท่านหัวเราะเราก็หัวเราะตามท่านไปด้วยห้าห้าบ้างนะท่านหยุดกึกเลยนะพอเราหัวเราะท่านหยุดปุ๊บเลยใจท่านนิ่งว่างท่านหยุดเราก็หยุดใจเราก็เฉยเลยนะท่านบอาเออใช้ได้นี่ท่านลองนะ ท่านลองเราว่าจิตเราไวขนาดไหนท่านหัวเราะเราหัวเราะท่านหยุดเราหยุดด้วยเออท่านบอกใช้ได้ไปไปทําต่อเอาโอ้อาศรจจ์คุบาอจาร ย, าารย์แต่รวมความแล้วก็คืออย่าไปประคองจิตอย่าไปแต่งจิตเนาการประคองจิตการแต่งจิตเป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเรื่องของสมถะงั้นไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่กับความไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างบอกว่าดีอ้างหลวงปู่ตูนได้ด้วยนะ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 ผลเป็นเองทำเหตุให้ได้แล้วผลเป็นเองไม่มีใครทำอริยผลให้เกิดได้นะสิ่งที่ทำให้อริยผลเกิดขึ้นคืออริยมรรเพราะฉเราทำเหตุถ้าทำเหตุได้เราทำเหตุฝ่ายเกิดคือมีตัณหานะเราก็มีตัวทุกข์ขึ้นมาเราทำเหตุฝ่ายดับคือเจริญมรรคมีศีลสมาธิปัญญาให้มาก็มีผลเข้าไปสู่นิโรธนะมีเหตุมีผลอยู่ ถ้าเข้าถึงนิโรธเต็มภูมินั้นก็จะไปสัมผัสพันิพานเต็มภูมิตัวนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีตายไม่มีตั้งต้นไม่มีจุติไม่มีอุบัติไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาส่งไปส่งมาไม่มีพระอิตพระจันทร์ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีอะไรแต่มีอยู่มีความสงบมีความสันติมีความสุขเป็นบรมสุขเพราะไม่มีอะไรเสียดแทง สิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่อยู่ที่เราทําเอาให้ได้ทําทำทำบ้างไม่ทําบ้างไม่ได้กินหรอกถ้าทําผิดกยิ่งไกลไมันออกไปอีกทําทผิดแล้วเดินไปคละทิศคนละทางยิ่งขยันยิ่งหลงไกลมรรคผลนิพพานไม่ใช่ของยากอะไรไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราเป็นธรรมะที่พอดีสําหรับคนธรมธรมดาธรรมดา อย่างพวกเร า, าคนธรมธรมดาธรรมดาคนผิดธรรมดามทำไม่ได้ผิดธรรมดามันทำไม่เป็นทำไม่ได้อย่างของเรานี่คนปกติไม่จำเป็นว่าแมต้องไอคิวต้องเท่านั้นเท่านี้นะไม่ใช่อย่างพวกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดภาษามนุษย์รู้เรื่องฟังธรรมรู้เรื่องรู้หลัก แล้วก็ทําไม่ยากอะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแล้วดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไปวันไหนมีกําลังมากดูเข้าไปที่จิตวันไหนแรงไม่พอดูจิตไม่รู้เรื่องดูตายกายเป็นบ้านของจิตครูบาอาจารย์นะสมัยท่านหนุ่มๆส่วนมากท่านสอนเรื่องกาย พอสุดท้ายปลายทางนะลงมาที่จิตทั้งนั้นเลยแต่ละองค์แต่และองค์ที่เคยเจออย่างหลวงปู่เทศเนะี่ยหลวงท่านอายุมากหลวงพ่อเข้าไปหาท่านท่านสอนแต่เรื่องจิตแล้วหลวงผูดด่โดนสอนแต่เรื่องจิตแล้วเจนมหาบัวตอนที่เข้าไปนะั่นก็ไม่ค่อยสอนละไม่ค่อยสอนหลวงผู้เหรียญไปหาท่านทีแรกท่านพูดแต่กายพุโทโธพยยิจารณ์กาย หลังๆไปหาท่านพูดแต่จิตแต่ในทีนะ่ใดนั้นก็ไปที่อื่นๆจะได้ยินครูบาอาจารย์พูดเรื่องกายเยอะส่วนวันหนึ่งหลวงพ่อไปถามหลวงปู่ดุลลงปู่ครับผมควรจะกลับไปพิจารณ์กายไหมเพราะไปที่ไหนที่ไหนนะเห็นได้ยินครูบาอาจารย์พูดพุดโทโธพิจารณา์กายอยู่ตลอดเลยส่วนมากก็สอนอย่างนี้หลวงปู่ดุลท่านบอกว่า ที่พิจารณ์ ก, กายนะเพื่อให้เข้าถึงจิตนะวัตถุประสงค์ของการพิจารณ์ ก, กายนะเพื่อให้เข้าถึงจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะไปยุ่งอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะจิตมันทิ้งไปเองจิตมันเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะมันทิ้งของมันเองนี่คือคําตอบที่หลวงปู่ ด, ดุลท่านบอกไปเจอหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวั์ก็เคยเล่า ว, ว่าหลวงปู่มั่นสอนท่าน ท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําความสงบไหมทาสมถะทําสมถะก็เพื่อให้มีแรงดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้รู้แจง้งสัานสอนกันอย่างนี้งั้นถ้าตัดตรงเข้ามารู้ถึงจิตถึงใจได้นะไม่เสียเวลา ถามว่ารู้จิตแล้วจะรู้กายไหมจะปล่อยวางกายได้ไหมได้แน่นอนเพราะว่าคนที่ไปยึดกายก็คือจิตคนที่จะปล่อยวางกายก็คือจิตนี่บางท่านท่านดูกายไปท่านเห็นกายนี้เป็นของไม่ดีเป็นตัวทุกข์อะไรนีนะ้ท่านก็ปล่อยแต่ถ้าดูจิตนะจะเห็นว่าถ้าจิตไปยึดกายจิตจะทุกข์อย่างนี้ก็ปล่อยเหมือนกันก็เลิกยึดเหมือนกันมองไปจากคนละด้านเพราะมันยิงอาศัยกันใครไปยึดกายก็จิตแหละไปยึด ทำไมจิตไปยึดกายเพราะจิตมันโง่มันโง่ได้สองด้านอันหนึ่งมันโง่มันไม่รู้ว่ากายเป็นตัวทุกข์ดังนั้นถ้ามาดูกายจะเห็นแจ้งว่ากายเป็นตัวทุกข์มันก็ปล่อยกายอีกงานหนึ่งมันโง่มันไม่รู้ว่าถ้ามันไปยึดกายแล้วมันจะทุกข์ถ้ามันไม่โง่ตรงนี้นะมันไม่ยึดกายหรอกมันก็ปล่อยกายแม้มันเดินได้นะถ้าภาวนาเป็นนะโว่จรู้เลยการปฏิบัตินะทำอะไรก็ถูกนะถ้าภาวนาไม่เป็นนะทำอะไรก็ผิดหมด มันผิดหลักผิดเกณฑ์ไปหมดเลยนั้นจริงๆไม่ใช่ของยากของลึกลับพิสดารต้องแนวนี้เท่านั้นต้องแนวนี้เท่านั้นนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านไปอย่างอาจารย์บางท่านเขาสอนต้องรักษาจิตให้ว่างเท่านั้นถึงจะเป็นทางรัดพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้รักษาจิตให้ว่างมีแต่บอกให้มารู้ทุกข์ถนะ้รู้ทุกข์ก็รู้ธรรม ไม่รู้ทุ ก, ก็ไม่รู้ทำหรอกบางท่านก็บอกต้องพี่หนักกายก่อนอ น, นั้นก็วาทะของอาจารย์แต่ละอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอย่าไปพุโทโธต้องขยับมือถึงจะดีก็ถูกของท่านอย่างหลวงพ่อเตียนท่านพุโทโธไม่ได้ใหามาขยับมือแล้วท่านทำได้แต่ในความเป็นจริงแล้วคำสอนของพุเทธเจ้านะั้นหลากหลายมีหลายแง่หลายมุมอ่งสติปัฏฐาน 4, สี่เนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องของวิธี เจริญวิปัสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องวิธีเจริญวิปัสนานะตัววิธีส่วนตัวอารมณ์ที่เราใช้ทําวิปัสนาเรื่องวิปัสนาภูมิก็มีเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอริยะตะนะเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสุบัติเรื่องอริยสัจหกเรื่องนี้แต่หเรื่องนี้ย่อลงมานะก็คือรูปนามนั่นแหละสติปัฏฐานเป็นวิธีเป็นวิธีปฏิบัติ ทำยังไงจะรู้รูปทำยังไงจะรู้นํามวิธีจะพัฒนาให้รู้รูปรู้นํามนะตามหลักของสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีสองระดับระดับที่1นนะึพัฒนาให้เกิดสติระดับที่สองพัฒนาให้เกิดปัญญางั้นตัวสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนานะท่านวัตถุประสงค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนวิธีปฏิบัติ สอนว่าทำยังไงเกิดสติทำยังไงเกิดปัญญาตรงที่เกิดปัญญาแน่แหละเป็นวิปัสนาแต่ตัวอารมณ์ของวิปัสสนานะัคือรูปนามซึ่งแยกแย้ายออกไปได้แบ่งรูปแบ่งนามนะพวกเรามีรูปนามทุกคนบางคนถนัดที่จะแยกรูปแยกนามออกมาเป็นขันห้าบางคนถนัดแยกรูปนามเป็นอายตนะหนะบางคนถนัดแยกรูปนามเป็นธาตุสิบางคนถนัดแยกรูปนามเป็นอินทรี่ยี่สิบสอง อินทรีย์ยี่งนะฟังเราเยอะจริงไม่มีอะไรเท่าไรหรอกนะตาหัวจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอินทรีย์นะศรนะัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเขอินทรียนะ์ภาวะแห่งความเป็นผู้หญิงภาวะแห่งความเป็นผู้ชายก็นะเป็นอินทรียนะ์แยกๆไปเขไม่ไม่มีอะไรก็มีแต่รูปกระนำนั่นแหลนะมีแต่รูปกระนำ ปฏิจจสุบาทก็เป็นรูปก น, นามาวิชาเป็นนามธรรมสังขารเป็นตัวนามธรรมสังขารในปฏิจจสุบาทนี่คือตัวตัวเจตนาถ้าใครเขาถามเรานั้นสังขารในปฏิจจสุบาทคืออะไรเจตนาเจต น, น, น, นาที่เป็นบุญบ้างเจตนาที่เป็นบาปบ้างเจตนาที่ไปสู่ความว่างบ้างเป็นเจตนาที่จะปรุงจิตไปส่วนสังขารในในขันห้า สังขารขันก็เป็นอีกอย่างเป็นความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วสังขารก็มีหลายอย่างสังขารบางอย่างอย่างกายสังขารคือลมหายใจแยกแยกไปจิตสังขารคืออะไรสัญญากับเวทนาเป็นจิตสังขารวจีสังขารวิตตกวิจารไม่แยกสังขารอย่างนี้แยกอย่างนี้เพื่อจะพูดเรื่องฌานสมบัต ถ้าก็แยกสังขารแบบนี้กายะสังขารว่าจีสังขารจิตตสังขานี่แยกเพื่อเป็นเรื่องของฌานสมบัติอย่างเวลาเข้านิโรธสมบัติว่าจีสังขารดับก่อนคือหยุดความตรึกความตรองไปก่อนถัดจากนั้นลมหายใจดับแล้วเข้าถึงฌานที่สถัดจากนั้นสัญญาและเวทนานดับแล้วเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสังขารแยกชนิดนี้นะอย่าไปใช้ผิดที่นะสังขารถ้าแยกแบบนี้ใช้เพื่อฌานสมบัติอธิบายเรื่องการเข้า นิโรธสมบัติไม่ยากอะไระเฝ้ารู้ความปรุงไปดูไปขันทาาแอัยตนะอะไรพวกนี้ก็มีแต่รูปกระนามให้หาอารมณ์แดนหนึ่งนะที่เหมาะกับเราะจะเป็นรูปประธรรมหรือนา ม, มาทมก็ได้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ได้อะไรก็ได้นะ รู้อย่างเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรารู้กายเช่นเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแบบเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ได้ไปเพ่งห้ามจิตเคลื่อนไปจากลมหายใจไม่ใช่อันนั้นไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกรู้ลมหายใจพอเป็นเครื่องอยู่ของจิตรู้ไปเพื่อจะแผดเผากิเลสนึกอาตาปีไม่ใช่รู้ไปเพื่อหาความสุสขความสบายรู้ไปเพื่อจะสู้กับกิเลส มีสัมปชัญญะรู้ว่าเรารู้ลมหายใจนี้เพื่ออะไรมีสติไม่หลงลืมลมหายใจนี้ถ้ารู้ไปเรื่อยก็จะถอดถอดความยินดียินร้ายในโลกออกเรียกอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกะพิชาโทมนันสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกก็ไม่ยึดงั้นเรารู้กายรู้ใจไปนะรู้แบบเป็นเครื่องอยู่ ไม่ได้อยู่เป็นแบบเป็นคุกขังจิตห้ามเคลื่อนไปจากร่างกายห้ามเคลื่อนไปจากเวทนาบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ใช่รู้เพียงแต่สักว่าอาศัยรู้เท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูกายเห็นร่างกายหายใจเพื่อจะได้เกิดปัญญาเห็นว่าเออร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกร่างกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นนะหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ หาใจเข้าหายใจออกก็ถือว่าเปลี่ยนอิริยาบถก็ปิดบังทุกข์ไว้เออร่างกายที่หายใจอยู่เป็นวัตถุธาตุนะไม่ใช่เราหรอกนี่หายใจแล้วเพื่อจะให้เห็นใจรักอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาดูเวทนาก็ไม่ใช่เพื่อ ช, ชนะเวทนาคนนั่งสมาธิปวดเมื่ อ, อยจะนั่งเอาชนะเวทนานั่งเอาชนะเวทนา น, า น, นาได้ขันติได้อะไรต่ อ, อไรนั้นได้อธิฐานนั้นบารมีตั้งใจมั่นแต่ไม่ใช่ปัญญา ถ้าจะเอาชนะเวทนาก็นั่งไปจนเห็นเออเวทนาเป็นของไม่เที่ยงนะเวทนาเป็นของทนอยู่ไม่ได้เวทนาเป็นของบังคับไม่ได้ทีนี้นั่งทำวิปัสสนาเดินปัญญาดูจิตก็ไม่ใช่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแต่เพื่อให้เห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์จิตมันไม่เที่ยงนะจิตมันเป็นทุกข์นะมันถูกบีบคั้นด้วยตัณหาตลอดเวลาจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นี่จิตเป็นอนัตตา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินวิปัสนาอยู่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ทําวิปัสนาไปทําของไม่เที่ยงให้มันดูเที่ยงไปทําของซึ่งเป็นทุกข์ให้ดูเป็นสุขไปทําของบังคับไม่ได้ให้บังคับได้ขึ้นมาส่วนทางกับวิปัสนาเลยเพรนั้นถ้าไปได้ยินใครสอนบอกประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนิรันดรแลร้วบรรลุก็บอกไปเลยนั่นนะ่ะสมถะถ้าวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิต เขานั่งสมาธิเขาบอกกิชนะเวทนานั่นสมถะนะถ้าจะเดินวิปัสสนาเดินปัญญาไปสู่มรรคผลนิพพานก็เห็นเวทนานั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ต้องอย่างนั้นนะนั่งรู้ลมหายใจไม่ใช่นั่งให้จิตสงบเห็นแสงสว่างแล้วก็เที่ยวออกไปข้างนอกไม่ใช่นนเรื่องของสมถะนั่งรู้ลมหายใจก็เพื่อให้เห็นในร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจอยู่นี่เป็นทุกข์ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรา จะต้องเห็นวิทำวิปัสสนาต้องเห็นใจลักจับหลักให้แม่นนะถ้าเราฟังแม่นแม่นเราจะรู้เลยฟังใครพูดเรารู้เลยว่าเขาพูดอยู่ในระดับไหนพูดในระดับของสมถะหรือวิปัสสนาไม่งั้นมั่วนะสอนสมถะแต่บอกว่าทําวิปัสสนาเนี่ยมันจะทําให้เราหลงทางแต่ว่าถึงเรารู้นะเราไปฟังใครเขาพูดนะอาจารย์ไหนพูดนะอย่าไปบอกเขานะว่าผิดนะเออเขาถูกของเขาเขาถูกอย่างของเขาหัดพูดประโยคนี้ดูบ้าง ใครมาถามหลวงพ่อว่าอาจารย์นั้นทําถูกไห ม, มเขาถูกอย่างของท่านนะก็ดีอย่างของท่านนะอือย่าไปบอกว่าถูกเหมือนกันดีเหมือนกันนะไม่เหมือนหรอกคนละเรื่องกันเขาก็ดีอย่างของเขาออย่างคนไม่มีความสงบแล้วก็ทําความสงบได้ก็ดีใช่ไห ม, มก็ดีตีอย่างของเขาแต่ไม่ใช่ของพระเจ้าหรอกให้ แ, แยกให้ออกนะรู้หลักให้แม่น เพอเอไว้สู้กับกิเลสของเราเองเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อไปเถียงกับคนอื่นเมื่อก่อนหลวงพ่อมีลูกศิษย์เหลวไหลแบบนี้เยอะเรียนนะแล้วจำแนละ้ว ไ, ไปว่าอาจารย์อื่นนะเข้าวัดนี่ก็ว่าซ้อนผิดเข้าตูกอย่างของเขาอ่ะเนี่ยเป็นปัญหาศัตรูให้เราแต่รุ่นหลังๆนี่ดีนะลูกศิษย์ประเภทนี้ไปหมดแล้วเหลือแต่พวกที่เอามรรคผลนี่ผ่านแล้วเอาจริงๆสู้กิเลสของเราเองแต่เราต้องแม่น แม่นเพื่อจะมาปฏิบัติให้ถูกพอหลักแม่นแล้วลงมือปฏิบัติให้เข้มขน้นไม่ใช่นานๆดูทีหนึ่งบอกจะเอามากผลนิพพานวันๆนันกิเลสลากาไปหมดเลยสัดส่วนของกุศลแทบไม่มีเลยนันจะไปใช้อะไรได้ต่อไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ